สมมุตกิก็จริงจริงตามสมมติไม่ได้ไม่ไดเอามาข้านวิมุตต์วิมุตต์ก็จริงตามวิมุตต์ไม่เอาไปข้านสมมุติเมื่อไม่หายกินทางฝ่ายพ้าดงานก็ไม่มีทีนี้นต้องการเห็นคุณพระพุทธธรรมประสงค์ก็เห็นแต่ไม่ยึดถือเอาเป็นเจ้าของต้องการเห็นลมหายใจเข้าออกก็เห็นแต่ไม่ยึดถือเอาเป็นเจ้าของ ต้องการเห็นเกศเก็บตายก็เห็นแต่ไม่ยึดถือเอาเป็นเจ้าของต้องการเห็นอนดีตอนาคตก็เห็นแต่ไม่ยึดถือเอาเป็นเจ้าของอนัตตาทําเป็นธรรมลุ่มลึกในพระพุทธศาสนาไม่สนใจจริงๆ ย, ยากจะเข้าใจตีความหมายมากยาก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 คนกุศลผลบุญพระอนาคามียังจัดเป็นกุศลผลบุญอยู่เพราะติดอยู่ในบุญยังข้ามบุญยังไม่ได้พระอนาคามีเพราะบุญยังไม่เต็มส่วนพระอรหันต์นั่นบุญเต็มแล้วบาป ก, ก็ละพอแล้วเล่นพอแล้ว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 สัาปฏิมัติสัดาปฏิผลเชื่อมมาจากเหตุที่เป็นโลกุตระเหตุโลกุตระผลสัคขาธรรมมัติสัาคขาไผลก็เชื่อมมาจากเหตุที่เป็นโลกุตระเหตุที่เป็นโลกุตระผลอนาคามรรมัตก็เชื่อมมาจากเหตุที่เป็นโลกุตระเหตุที่เป็นโลกุตระผลส่วนอนัหัตตมรรม ผลของพระรหัตธรรมะไม่ได้เชื่อมมาจากเหตุเป็นผลขาดตอนเป็นผลพิเศษไม่ได้เชื่อมมาจากเหตุมดเหตุแล้วส่วนเทดาปฏิผลจักทาไหผลนาคาไหผลเชื่อมมาเชื่อมมาจากเหตุเหตุแห่งโลกุตระไม่ใช่เหตุแห่งโลกีเหตุมันมีสองเหตุ ตามความพระโสดาบันลงไปก็เป็นเหตุในทางโลกีก็เป็นผลในทางโลกีถึงจะเป็นกุศลก่อตาง ก, ก็เป็นโลกีกุศลก็เป็นโลกีเหตุโลกีผลเพื่อนพระโสดาบันเป็นโลกุตระเหตุโลกุตรผลกัตทาคารีอนาคามิก็เหมือนกันอ่ะนั่งครับ ผมเองก็ไม่เคยได้พบหลวงปู่ล่าเลยนะเพราะสมัยท่านยังไม่ได้ลาสังขารเนี่ยท่านก็อยู่ที่ผู้เจ้าก็ผมไม่ไม่รู้จักเลยไม่รู้จักเลยไม่รู้จักเลยสายหลวงปู่มั่นเนี่ยแค่รู้จักหลวงปู่มั่นได้ยินจากชื่อเลยไม่เคยศึกษาคำสอน้วยทางสายภาคป่านี่ไม่ได้ศึกษาเลยก็ไม่ได้ซีดีชุดนี้จากมุ้ยนี่แหละเอามาให้ ฟังดูถึงฮะก็ยิ่งฟังก็ยิง่งโอ้โหข้างในนี่มันโปร่งขึ้นมาเลยมันเหมือนกับได้พบแสงสว่างได้พบแบบยิ่งฟังก็ยิง่งโอ้โหคือแบบขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยคือพูดท่านกพ็พูดพูดพูดไปอย่างเนี้ยผมก็เห็นเห็นไปเข้าใจตามที่ท่านพูดเอาอย่างเนี้ยผมที่ผมเปิดให้ฟังเนี่ยผมจะให้ดูนิดเดียวผมไม่เคยรู้จักกับท่าน ผมไม่เคยรู้และผมก็ไม่มีโอกาสได้ถามด้วยว่าที่ท่านพูดหมายถึงอะไรโสดาปฏิมักโสดาปฏิผลท่านบอกว่าเชื่อมมาแต่เหตุโสดาปฏิมักแอดโสดาปฏิผลแสดงว่าผลแห่งโสดาบันเชื่อมมาแต่เหตุคือโสดาปฏิมักสกิทาคามีมักสกิทาคามีผลผลของสกิทาคามีก็มาจากสกิทาคามีมัก อนาคามีมักอนาคามีผลผลของอนาคามีก็มาจากการปฏิบัติตามมักเนี่ยแหละเป็นอนาคามีอนาคามีมักแต่อรหัตมักกับอรหัตผลไม่เชื่อมกันทันทีที่ท่านพูดประโยคนี้จบปั๊บผมเอ๊ะแล้วก็อ๋อข้างในเลย อ่านมาในพระไิดกก็ไม่เคยเห็นท่านเห็นอะไรคนเขาบอกว่าผมถนัดมากเลยเรื่องทำนามธมาทําให้เป็นรูปธรรมเนี่ยเนี่ยเอาละลองดูนะครับว่าท่านหมายถึงอะไร ออ ย, อ, อยมาดิหน่นะอช่วยถือกระดาษนี้นะกระดาษนี้มีสี่แผ่นโสดาปฏิมักสกิทาคามิมักอนาคามิมักอรหัตมักภูมิธรรมของอริยบุคคลทั้งสี่ระดับเนี่ยต่างกัน เราก็รู้นะครับที่สุดก็คือพระราหันเห็นแสงไฟไหมครับเห็นนะครับถ้ามีอีกแผ่นหนึ่งก็<อ>จะเห็นน้อยลงถูกไหมครับถ้าผมบอกว่าอันนี้คือปูตุชนวันนี้เราศึกษามาตั้งแต่วันแรกจิตเดิมแท้ โดนโมหะครอบเหลือแค่เนี้ยปฏิบัติไปปฏิบัตไบไปชำระไปอ่ อ, อยดึงแผ่นแรกออกแผ่นเดียวสว่างขึ้นไหมครับสว่างขึ้นเริ่มเห็นมากขึ้นแหละทีนี้พอเข้าถึงโสดาปฏิมักปฏิบัติไปเรื่อยปฏิบัติตามมักไปเรื่อยนะครับจนเป็นพระโสดาบันอ่ะเอาแผ่นแรกออก สว่างขึ้นนะครับเกิดโสดาปฏิผลขึ้นมาเพราะว่าเป็นเหตุจากโสดาปฏิมักที่ชําระไปก็เริ่มเกิดปัญญาเกิดสมาทิธิมากขึ้นถูกไหมครับเกิดสมาธิฏฐิมากขึ้นปฏิบัติไปประเดียดมาก็เกิดสกิทาคามีักสกิทาคามีมกั ก, าามมกยืนหน่อยก็ได้ข้างหลังก็มองไม่เห็นปฏิบัติไปประเดียดไปก็เกิดสกิทาคามีมกัก ใช่ั้ยครับก็แน่นอนก็พระสสดาบันก็เดินตามทางอ่ะเอาออกอีกแผ่นสังเกตแสงไฟนะครับก็สว่างขึ้นตอนนี้เป็นพระสกิทาคามีปฏิบัติไปจนเกิดอนาคามีมกักอ่ะออกอีกแผ่นตอนนี้เป็นแผ่นพาธาคาามีเห็นไหมครับ จนกระทั่งถึงที่สุดแห่งทุกข์เอาออกสว่างไหครับเอากลับมาใหม่แผ่นสุดท้ายนะ่ะเอาออกสว่างขึ้นไหมครับหรือสว่างอยู่แล้วเข้าใจยังเอาเอากลับมาใหม่การสว่างอันนี้ขึ้นับนนี้เหรอ จิตเดิมแท้แค่เอาโมหะออกทั้งสามแผ่นเกิดเป็นสัมมาทิฐิแต่แผ่นสุดท้ายเป็นสัมมาญาณหลุดพ้นในตัวทุกคนมีอยู่แล้วแต่มันถูกบังเอาไว้ด้วยทิชชู่ไม่รู้กี่แผ่นวันนี้กำลังลอกออกทีละแผ่น ต้องมีความเพียรแล้วที่ชู่ที่ติดอยู่เนี่ยไม่ได้ติดแบบนี้ติดแบบแพ็คแน่นนะแกะเนี่ยยากโคตรเลยนะคือแบบบางแผ่นก็ใสแจ๋วเลยยังครูบาอาจารย์บอกลอกออกซะมัง่งลอกที่ไหนไม่มีมันใสอะ่ะมันใสใสแบบผมไม่รู้จะยกตัวอย่างว่าอะไรนอกจาก คริสตัลบางเป็นไมคครนใสแจ๋วบางชิบเลยจะรู้ได้ยังไงอ่ะว่าใส่แว่นคริสตัลบางเทียบอย่างนั้นเนี่ยทั้งๆ ท, ที่ไม่มีโอกาสผมถึงบอกว่าคนที่ปฏิบัติธรรมเนี่ยวันแรกๆเนี่ยพอดีวันนั้นผมนั่งอยู่ในรถคันหนึ่งที่เขาติดฟรริล์ม แต่ฟิล์มเขาเนี่ยมันคงบางๆจางๆอ่ะเขไม่ไม่ทันสังเกตหรอพูดง่ายๆไม่ทันสังเกตก็นั่งรถอยู่ข้างหลังเขาก็ขับไปทีนี้พอถึงด่านเก็บเงินเขาก็เปิดกระจกเพื่อจะจ่ายเงินแต่เขาคนขับเนี่ยกดไอ้ไอผิดอันผมนั่งอยู่ข้างหลังด้านขวาเขาไปกดเปิดกระจกด้านหลังขวาแทนที่จะกดของตัวเขาเขากดพลาดจึ๊กเข้าไป กระจกผมต่ระหว่างที่ผมก็กลังนั่งดูข้างนอกเนี่ยมันก็เลื่อนแล้วก็ตกใจเขาก็รีบกดขึ้นผมเลยรู้เลยว่าอา้าวนี่รถนี่ติดฟิล์มอะแล้วผมแป๊บเข้าไปข้างในเลยโหมีหน้าล่ะ <c oughs> ถ้าคนที่นั่งอยู่ในรถติดฟิล์มตั้งแต่เกิดเนี่ยมันจะไม่รู้ว่ารถคันนี้ติดฟิลม์มจนกระทั่งมันพลุบๆเฮ้ยอ้าว ตลอดเวลาตั้งแต่เกิดที่จะเดินมองมาเนี่ยไม่ได้มองตรงๆเลยเหรเนี่ยโดนโมหะครอบเอาไว้หมดเลยเหรอเนี่ยอย่างเงี้ยมันถึงเอกใจขึ้นมานี่คือสาเหตุที่พูะเจ้าถึงได้ตัดแล้วก็มั่นใจเลยว่าโสดาบันเป็นผู้ตกอยู่ในกระแสทั้งๆที่พระโสดาบันเนี่ยอ๋อเอาขึ้นมาแผ่นพระโสดาบันเนี่ย เพราะว่าคำพีบอกไว้เลยว่าพระโสดาบันเนี่ยมีช่วงที่แหวกโมหะออกเนี่ยแค่สองขณะจิตท่นั้นเองคือปุ๊บเดียวเองนะไม่ถึงวินาทีอะ่ะก็เหมือนกับพู้เจ้ารู้เลยว่าแค่เนี้ยพอที่จะพาเข้าไปสู่พระนิพพานล้เพราะวินาทีที่นั่งอยู่ข้างหลังในรถแล้วกระจกมันเลื่อนลงแล้วเลื่อนขึ้นเนี่ย รู้เลยไม่มีวันหลอกได้อีกแล้วว่ารถคันนี้ติดฟิล์มแน่ๆ แ, แต่ท่านนั่งอยู่ตอนแรกที่มันไม่ยอมเปิดไม่ยอมปิดเลยเนี่ยมีคนมาบอกก็ไม่เชื่ออามองออกไปกระจกใชอ่ะมองออกไปเนี่ยเนี่ยห้องเนี้ยเขาติดฟิล์มติดฟิล์มที่ไหนเห็นชัดแจ๋วนี้อ่ะไม่เชื่อลองเอามองไอ้บานที่เปิด đây. อย่่ะ้พ ม, มาบองบานที่เปิดกลับมาดูถึงจะรู้ถูกไหม ว่ามันไม่ใสจริงแต่ถ้ามันดูอย่างนี้ก็ว่าใสาแล้วผมเห็นทํามอันนี้ตั้งแต่ตอนที่ผมไปตัดแว่นคือผมไม่ได้ผมก็รู้ว่าผมไม่ได้ชันมากผมก็อ่านหนังสือได้พอได้ปกติตั้งแต่เกิดมาก็ไม่เคยจนวันที่ผมไปตัดแว่นหมอเขาวันแรกที่เขาเอาแว่นมาให้ผมใส่ฮย้ยโลกนี้มันชัดขึ้นตั้งเยอะนะผมรู้สึกว่าเมื่อก่อนเราก็ว่ามันชัดนะแล้วผมกับจิตมาเล่นตลก หรือว่าที่เรามองอยู่ทุกวันมันชัดแต่นี่แต่มันไม่ชัด <c oughs> มันดันฟลิกลกับอีกรอบอีกเอ๊ยยังไงเนี่ยเราออกอ๋อที่เบลอเลนี่คือชัดมั้งไอที่ชัดนี่คือไม่ชัดเออจากนั้นผมก็เลยไม่ได้ใส่แว่น <c oughs> <c oughs> เพราะฉะนั้นวิธีคิดที่ออกนอกตัวต้องคิดออกไปออกไปข้างนอกแล้วกลับมามองใหม่นะครับไม่งั้นจะกล า, ายเป็นอัตราในคิด เป็นสังขารแล้วก็เป็นสร้างอัตตาเพราะเราคิดมุมเดียวผ ม, ผมจะอย่างเงี้ยพอปั๊กมันจะย้อนกลับอีกทางหนึ่งหรือวที่เห็นอยู่ทุกวันที่มันชัดอยู่แล้วแสดงว่าภาพที่ทุกคนในโลกเจ็ดันล้านค น, เ ห, นเห็นก็เห็นเท่าเราเนี่ยแต่พอใส่แว่นมันเลยผิดปกติไปมันชัดมากเกินไปหรือเปล่าแล้วผมก็เริ่มรู้สึกว่ามันชัดมากเกินไปผมก็เอาออกผมไม่จําเป็นต้องเห็นโลกชัดขนาดนี้แล้วผมว่าแค่นี้ผมก็โอเคแล้วแค่นี้ก็ทุกจะตายแล้ว นะไม่ต้องเห็นชัดมากขนาดนี้แล้วนะจากนั้นไปผมก็เลยไม่ใส่แว่นไ ม, ไม่ถนัดด้วยอขอบใจมากเก็บทิชชู่ไว้ใช้ด้วยอยู่ที่เผื่อจะเป็นสซดาปฏิมากรนะสงสัยจะเก็บไว้แค่แผ่นสุดท้ายสินี่เดี๋ยวสวดมนต์น